มาเรียนนะดีแล้วอนุโมทนาก็ับพวกเรามาศึกษาธรรมะธรรมะนี่เป็นสมบัติประจำชีวิตถ้าเรามีธรรมะอยู่ในชีวิตจะมีความสุขถ้าขาดธรรมะนชีวิตจะตกต่ำแย่ลงเรื่อยๆ เ, เราพยายามพัฒนาให้ธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้นะ ค่ยๆฝึกวิธีฝึกก็ไม่ยากนะหลักสูตรเราพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วนะเรียนเรื่องศีลเรื่องเรื่องฝึกจิตใจของตัวเองให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วก็มาหัดเจริญปัญญาเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะความจริงของรูปนามของกายของใจเรามีหน้าที่มาเรียนรู้ การฝึกบทเรียนก็มีอยู่สามบทเท่านีนะ้ถ้าเรียนจบก็จบหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาพ้นะนทุกข์พ้นทุกข์ถาวรนะจิตกับขันันจะแยกออกจากกันจิตก็อยู่ส่วนจิตนะไม่เกี่ยวกันเป็นอิสระจากขันนะถ้าฝึกเต็มที่แล้วมันเป็นยงี้มีความสุขมาก ถ้าฝึกยังไม่เต็มที่ก็ไ ด, ด้ไปตามลําดับดีไปตามลําดับมีความสุขไปตามลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเรียนนะเรียนให้ได้เรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญานะเรียนเรื่องศีลตั้งใจไปเราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาถ้าเราทําชั่วทางกายทางวาจาครั้งหนึ่งนะต่อไปจะทําง่ายขึ้น ก็คนชั่วเนี่ยจะทําชั่วง่ายคนดีทําชั่วยากหรือคนชั่วทําดียากคนดีทําดีง่ายเ mm hmm. มื่อก่อนคนชอบเถียงกันนะว่าระหว่างชั่วกับดีอะไรทําง่ายกว่ากันอะไรยากกว่ากันคนส่วนใหญ่จะบอกว่าทําดียากทําชั่วง่ายมีคนไปตูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกงั้นให้บอกคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียาก คนดีเนี่ยทําดีง่ายทําชั่วยากงั้นเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนชั่วก็อยู่ที่เราทําเอาเองเราทําชั่วจนเคยชินนะเราก็ทำชั่วง่ายเราทําดีจนเคยชินเราก็ทําดีง่ายงั้นขั้นแรกเลยนะเรามาตั้งใจงดเว้นการทําชั่วทางกายทางวาจาแรกๆเราเคยชินที่จะชั่วอาจะรู้สึกฝืนหน่อยฝืนก็ต้องฝืนนะ ต้องฝืนเพราะความชั่วเนี่ยเบื้องต้นทำความชั่วเล็กๆน้อยๆต่อไปความชั่วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำง่ายทำได้ขึ้นเรื่อยๆตอนเด็กๆก็ขโมยเงินของพ่อของแม่อะไรเงี้ยไปโรงเรียนไปขโมยของเพื่อนไกลออกไปหน่อยโตขึ้นจะไปปล้นใครเขาได้มันเคยชินหรือผู้หญิงนะยิ่งแก่ยิ่งขี้บน่นตามสติ๋นะ ตีตีหลวงพ่อเองแหะไม่ได้มีสถาบัานไหนเขาทำไหมผู้หญิงทําไมยิ่งแก่ยิ่งขี้บน่นเพราะผู้หญิงเนี่ยต้องรับผิดชอบมากผู้ชายไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่ไม่รับผิดชอบรับผิดชอบน้อยเนี่ยพวกผู้หญิงนั่งยิ้มเลยเรากําลังปูพื้นให้เห็นว่าผู้หญิงดีนะแต่ความดีสุดท้ายกลายเป็นความเหลว เน๋ยวได้นะเพราะว่าความรับผิดชอบมากเครียดนะยิ่งทุกวันนี้ผู้หญิงก็ออกไปทํางานนอกบ้านเหมือนผู้ชายหละกลับมาบ้านนะผู้ชายชอบโบยงานให้ทําคนเดียวหลายแห่งเป็นอย่นี้ที่รับภาระเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องอาหารเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างภาระมากเครียดเน่ยเครียกก็ต้องบ่นรู้สึกไม่คนอื่นไม่ช่วยอะไรอยางบน ใหม่ๆก็บน่นนิดๆหน่อยๆนะพอเจริญไหวขึ้นยิ่งถึงวทองไวัเพชรวัยอะไรทนะ์โอ้สะสมมันหลายสิปีนะบ่นเก่งอ่ะยิ่งบ่นเก่งบ่นทั้งวันบ่นทั้งคืนไม่มีใครบน่นนะบ่นจิ้งจกบ่นตุกแกบน่น <c oughs> บ่นเลยได้ได้ไดแค่ไมเคยชินนั่นสะสมโกหกก็เหมือนกันนะอย่างคนไม่เคยโกหกนะไปโกหกทีแรกนะใจสั่นเลยหน้าแดงใจสัน่น เงา อ, ออกเงอตกเลยนะหัดโกหกไปเรื่อยๆสะสมไปไร้่นะทักษะสูงโกหกนะหน้าไม่แดงใจไม่กระเพื่อมโกหกเขาจับได้ก็ เ, เฉยๆถือเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆก็โกหกทั้งโลกเลยนะไปอย่างนั้นนะแม่สะสมความชั่วนะความชั่วเนี่ยสะสมไม่ได้ความดีนะต้องสะสมเราจะได้คุ้นเคยกับความดีนะ มีทานมีศีลมีภาวนานะภาวนาก็มีสมถะมีวิปัสสนาะทำอย่างนั้นเ จ, จะเจริญสะสมความดีคึงความช่วยอย่าไปสะสมมันนิดๆหน่อยๆก็อย่ายอมมันก่อนจะชั่วมากก็เริ่มมาจากชั่วน้อยก่อนไฟจะไหม้ใหญ่ก็ไหม้นิดเดียวก่อนนะจุดไม้ขีดก้านหนึ่งก่อนไฟแชกอันเดียวก่อนนะแล้วค่อยๆไหม้ลามไปเรื่อยๆความชั่วนี่เหมือนกันนั้นะถ้าเรายอมมัน มันขยายตัวไปเรื่อยๆถนะ้าเราตั้งใจไว้เราไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ทำชั่วทางกายทางวาจานะใจมันอยากทำนะมีโอกาสจะทำด้วยแต่ไม่ทำอันนี้แหละเรียกว่าเรามีศีล น, นะนะบางคนไม่มีโอกาสทำชั่วนะอย่างอยากขโม ย, เ, ยเจตนาจะขโมยแต่ว่าคนมายืนดูอยู่เยอะเลยนะขโมยยังไม่ได้อันนี้ไม่มีศีล น, นะ เขาไม่ได้ไม่ได้โงดเว้นแต่ว่าไม่มีโอกาสทำชั่วหรือแก่มากแล้วอายุ90กว่านะอยากมีกิ๊กกับเขาบ้างไม่มีใครเขาหามไปจีบสาวนะไม่มีโอกาสเราบอกว่าไม่ได้นอกใจภรรยานะอันนี้ไม่ใช่ศีลศีลเ น, นี่ยหมายถึงว่ามีโอกาสทำอย่างไม่ทำเลยนะมีความงดเว้นมีความละเว้นในใจตัวศีลเนี่ยคือตัวเจตนางดเว้นที่จะทำบาปอากุศล งั้นเราสำรวจใจเรานะอย่างถ้าเราไม่มีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่เรียกว่ามีศีลแต่ทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสแล้วไม่ทํำเนี่ยนะี่ว่าเรามีศีลแลมีความยับยั้งชั่งใจของเราขึ้นมาแล้วนะพอเรารู้จักยับยั้งชั่งใจกิเลสมันครอบงําใจไม่ได้เห็นไหมเริ่มสู้กับกิเลสละเริ่มใจกิเลสเล็กกิเลสน้อยนะตัวเล็กตัวน้อยอย่างตอนเด็กๆนะบางคน มีหนังสติกมีอะไรต่ออะไรไปยิงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยฆ่าจนชินค่ะฆ่าจนชินโตขึ้นมก็ฆ่าตัวที่ใหญ่ขึ้นได้ชินที่ราทำร้ายนั้นเราอย่าไปสร้างความเคยชินฝ่ายไม่ดีไว้ให้สร้างความเคยชินฝ่ายดีนะนนเราทำความเคยชินที่จะมีศีลมีธรรมไว้ใจเราจะไม่ไม่ถูกความชั่วยาบครับงํานั้นถ้าเรามีศีล น, นะ เราจะไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วช่วหยาบหยาครอบกิเลสหยาบครอบไม่ได้แล้วถัดจากนั้นเรามาฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับกิเลส ช, ชั้นกลางกิเลส ช, ชั้นกลางชื่อว่านิวรน์ใครเคยได้ยินคําว่านิวรณ์บ้างใครไล่นิวรณ์ห้าได้ครบบ้างยกมือซิยกมือหน่อยขอชมหน่อยชาวพุตทั้งหลายยกมือหน่อย ใครรู้จักนิวรณ์ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ยกสงสูงหน่อย5เอออย่างนี้ค่อยช่วหน่อยเอ า, อางี้หลวงพ่อจะไม่เรียกถามใครรู้จักนิวรณ์ห้าตัวบ้างยกมือสิเออเยอะกว่าตะกี้นะกลัวาถาม <laughs> กรรมฉันทะนะใจมันยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส พยาบาทนะใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะอุทจจักกุจจกักความฟุ้งซ่านความราคาญใจที น, ะนมิทะความซึมเศร้านะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าลังเลสงสัยว่าถนนหน้าวาดัดหลวงพ่อนี่วิ่งไปปลายทางไปถึงที่ไหนอันนี้ไม่เรียกว่านิวรณ์นะ ถ้าสงสัยในพระรัตนตรัยเรียกว่านิวรณ์เวลานิวรณ์เกิดนะถ้าดูให้ดีนะมันก็คือจิตมันฟุ้งซ่านนั่นเองมันฟุ้งไปชอบอกชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็เป็นกามาชันทะมันฟุ้งซ่านไปเกลียดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเป็นพยาบาทนะมันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆนะจับจดจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีจับไม่ถูกเรียกว่าอุทัจจะ ฟุ้งไปมากๆรานนําคาญเรียกว่ากุาากุจจะเรียกอุทัจจะกุกุจจะมันจริงเป็นกิเลส2ตัวนะแต่ท่านมารวมไว้ข้อเดียวกั น, นกว่าฟุ้งซ่านรําคาญใจพอฟุ้งซ่านแล้วมักจะรําคาญใจสําหรับคนทําสมาธิพอฟุ้งซ่านแล้วจะรําคาญใจนะเวลาลังเลสงสัยขึ้นมาก็จะคิดอุตจรุดเลยนะจิตฟุ้งซ่านไปหาคําตอบฟุ้งซ่านนะเวลาเสื่องซึมจิตก็ฟุ้งซ่านนะไหลซึมๆึมไปนะซ่านไปในความซึมเศร้าไม่ตั้งมั่น นิวรเนี่ยเป็นตัวที่จิตไม่ตั้งมั่นนั่นเองศัตรูของนิวรณ์ก็คือสมาธิจิตที่ตั้งมั่นดังั้นบทเรียนที่2อเนี่ยที่จะมาสู้กับกิบกเลสอย่างกลางคือนิวรนะก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตแปลกประหลาดอะไรมันจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวดั้นเราฝึกวิธีฝึกง่ายๆเลยนะอันแรกนะขั้นแรกเลย หาอารมณ์กรรมาฐานสักอย่างหนึ่งะอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องพองยุบก็ได้ะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งะจะเดินจงกรมก็ได้จะดูเวทนาก็ได้จะดูจิตดูใจเอาก็ได้ไเวลาดูจิตดูใจก็อาจจะช่วยด้วยการพุทโธพุทโธ พ, พุทโธพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ หรือถนัดลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปเห็นเห็น <c oughs> ร่างกายมันหายใจไปนะหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไปละจิตหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านนะจิตไหลไปเคลื่อนที่ไปไม่ตั้งมั่นรู้ทันไปเลยนี่ให้เราหัดเนี่ยนะทากรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะใครถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธใครถนัดลมหายใจใช้ลมหายใจนะใครถนัดอะไรใช้อันนั้นแหละ ใช้อันนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ต่อไปจิตมันไหลแวบมันจะรู้สึกจะตั้งขึ้นมาตั้งอัตโนมัตินะตั้งขึ้นมาเพราเราต้องฝึกนะฝึกรักษาศีลโดยการทำใจให้แข็งมก้ตั้งใจไว้ทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนก็ตั้งใจจะไม่ผิดศีลห้า ก่อนจะกินข้าวกลางวันตั้งใจไว้จะไม่ผิดศีลห้าก่อนจะนอนตั้งใจอีกไม่ผิดศีลห้าตั้งใจไปบ่อยๆนะแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจเราก็จะมีศีลขึ้นมาเรียกว่าเราสมาทานศีลนั่นแหละสมาทานศีลนี่ก็คือตั้งใจไว้ก่อนไม่ต้องมาขอที่หลวงพ่อหรอกนะศีลอยู่ที่ตัวเราเองอยู่แล้วตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นมานะไม่ต้องขอใครก็ได้นะไม่จาเป็นต้องทาตามพิธีกรรม พิธีกรรมก็ทํำก็ดีนะเหมือนการปฏิญาณตัวของทหารนะประกาศให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยนะมีศีลนะอะไรเงี้ยเราจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจบ้างแต่ถ้าไม่มีโอกาสทําพิธีกรรมก็ตั้งใจเอาเองนะต่อไปฝึกให้มีจิตตั้งมั่นทําอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกนี้ได้่อยต่อไปจิตมันไหลไปเรารู้ทันมันจะตั้งขึ้นเองไม่ไหล จิต ท, ที่ฟุง้งซ่านก็คือจิต ท, ที่ไหลไปจิต ท, ที่ส่งออกนอกนั่นแหละงั้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคราวนี้มาเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาเนี่ยคือเราใช้จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยใช้จิตชนิดนี้แหละมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนี่คอยเรียนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรอก เรียนอยู่ที่กายที่ใจเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นะสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นั้นเราทํากรรมฐานทําวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะตอนนี้สําคัญมากนะ ลำพังการรักษาศีลการทำสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่การเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีไม่มีการเจริญปัญญาที่จะมารู้ความเพรนไตรลักษ์ของรูปของนามของกายของใจเนี่ยมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้ น, นจะไม่มีคำสอนชนิดนี้ ทั่งบางยุกบางสมัยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ด้วยตนเองนะแต่ท่านไม่ได้สอนผู้อื่นที่ไม่ได้สอนผู้อื่นเพราะไม่มีคนที่ควรจะสอนหรอกนะหรือว่าท่านไม่ได้สร้างบารมีมาในทางสั่งสอนสอนธรรมะยากมากนะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากรวยทางไว้ให้เราเนี่ยเรามาพูดธรรมะอย่างนี้ไม่ได้นะเราไม่มีทางอยเทศธรรมะออกมาได้เลย นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านมากลุยทางท่านมาสอนนาทางเป็นตัวอย่างให้ท่านมาสอนเรื่องสติปัฏฐานนะเรื่องการทำสมถะอย่างนี้การทำมิปั ส, สนาอย่างนี้นี่ท่านสอนนำทางให้เราพระรุ่นหลังก็มาพูดตามท่านอย่างหลวงพ่อก็มาพูดตามท่านก็พูดไดนะ้ถ้าท่านไม่นำทางไว้เนี่ยพูดไม่ได้เลยนะไม่ใช่ภูม่มปัญญาที่สาวก จะมาจำแนกจจกทำได้ขนาดนั้นนะงั้นปัิเจตนีน่บางทีท่านสร้างบารมีมาเนฉะพาะตัวไม่ได้เผื่อแผ่ผู้อื่นนะงั้นท่านไม่ได้สอนใคร น, ะนึกจะสอนท่านอย่างท้อท้อแน่นอนขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท้อเลยนะตอนท่านตรัสรู้แล้วท่านหนึ่งถอดใจนะเรารู้เฉพาะตัวนะเดี๋ยวนีพพานไปดีกว่าสบายดีไม่ต้องทรมานธาตุทรมานขันธ์ ตําราก็บอกเท้าสหัมบดีพรลมรีมานิมนต์บางคนก็ไปแปลเท้าสหัมบดีพลมว่าความการุณาในพระไถยของท่านไม่ต้องแปลหรอกจริงๆท่านการุณานะการุณาอยู่แล้วเท้าสหัมบดีพลมก็สหัมบดีพลมนั่นแหละนะมาบอกมาตรวนพระเจ้านะว่าสัตว์โลกที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีขี้ฝุน่นขี้ผงในตาน้อยๆ ย, ยังมีอยู่นะถ้าพระองค์โปรดนะพวกนี้จะเห็นตามได้ ท่านก็เออมีพยานหลักฐานนะว่าเทศแล้วก็ยังพอจะมีคนรู้ได้ค่อยสมกับที่จะทรมานขันอยู่เทศนี่ทรมานขันมากนะถึงท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศท่านก็ยังทรมานขันอยู่ดีนะเพราะขันเป็นตัวทุกข์อ่ะท่านต้องครองขันอยู่อีกถ้าท่านนิพพานไปเลยนัท่านก็สบายไปไม่ต้องแบกขันท่านก็เลยออกประเทศนะออกมาแสดงธรรมนี่เพราะท่านสร้างบารมีมา ธรรมะที่ท่านสอนนะสังเกตให้ดีเถอะเป็นธรรมะที่จะข้ามโลกไม่ใช่ธรรมะอยู่กับโลกนะแต่ว่าถ้าท่านสอนคนที่อินทรีย์อ่อนสอนชาวบ้านชาวเมืองอะไรเนี้ยท่านก็สอนธรรมะที่จะอยู่กับโลกอย่างดีๆเพื่อวันหนึ่งจะข้ามโลกนะสอนเป็นลําดับไปไม่ใช่สอนทุกคนให้ทำวิปัสสนาทุกคนออกนะท่านสอนเป็นคนๆไปนะแต่พระสาวกรุ่นแรกที่ท่านสอนนะสาวบรุ่นแรกที่ท่านสอนนะ พวกนี้มุ่งที่จะพลโลกอยู่แล้วแต่อุบาสกคู่แรกนะอุบาสกคู่แรกทําไม่ได้สอนอะไรนะพวกนั้นก็ทําทานถือศีลไปนะตับุสะก็อะไรนะภาริกะใช่ไหมพมา่าว่าเป็นคนพมา่านะตับุสะภาริก ะ, ะพระพุทธเจ้าประทานเส้นเกศาให้8ดเส้นเป็นที่ระลึกไม่มีวัตถุมงคลนะหมายนะั้น ท่านคงยังไม่ได้ปั้นพระพุทธรูปหรอกท่านท่าเลยรูปพระเสียนท่านนั้นได้เส้นเกศา8ดเส้นให้สองคนนี้สองคนนี้ก็เลยเอากลับมาเมืองพมา่าแล้วก็มาให้พระเจ้าแผ่นดินสร้างชเวดากองขึ้นมานี่บอกว่าสองคนนี้เป็นคนพมา่าความจริงชเวดากองละมอนสร้างถ้าจะเป็นก็ต้องเป็นมอนนะแต่เขาถือว่ามอนเป็นพลเมืองพมา่าเนาะต้องว่าอย่างนั้นอ้าวเป็นคนพมา่า แต่จริงๆเชื้อสายมอนคู่นี้ท่านไม่ได้เทศอะไรให้ฟังนะคู่นี้ทำบุญอย่างเดียวถวายอาหารทำบุญท่านก็ไม่ได้เทศเพราะว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะรับธรรมะนะท่านไปเทศคู่แรกพวกแรกคือปัญจวัคคีย์ท่านสอนบอกว่าอย่าทำสิ่งสุดต่งสองข้างอันหนึ่งคือตามใจกิเลสอันหนึ่งคือกดข่มบังคับทากายทาใจตัวเองให้ลาบากนะ ท่านสอนทางสายกลางทางของศีลของสมาธิของปัญญาเหมือนที่หลวงพ่อพูดให้เราฟังนี่เองนะแล้วท่านก็สอนนะสอนลงไปเรื่อยๆให้เห็นลงไปในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงคือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นานสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่นานนะ ไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอัตราตัวตนถาวรเ น, ะนี่ท่านสอนมุ่งมาตรงนี้เองสอนมาเรื่องขันห้านี่เองสอนปัญญวัคคีย์นะจนเป็นพระอรหันตนะ์สอนมาให้ดูขันห้าเป็นไตรลักษณ์ไหมเ น, ะนี่ธรรมะเบื้องต้นของท่านสอนเลยนะสอนลงมาให้เห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์นี่ชื่อชื่ออะไรอันนี้ชื่อพระสูตรชื่ออะไรอันัตตลักษณสูตร นี่มีคนเก่งนะชื่อจูนอ๋อโบเหรออ๋ข้างหลังเบามาอีกทีข้างหลังเก่ง <c oughs> <c oughs> อนัตตลกอนสูตรนะหมายถึงลักษณะที่เป็นอนัตตาลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนนะอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนขันห้าไม่ใช่ตัวตนส่วนพวกเรานี้ยังเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่นะเพราะงั้นเราไม่ใช่พระโสดาไม่ใช่พระนาคาไม่ใช่พระอรหานาอันต์อะไรทั้งสิน้นะ เรายังเห็นผิดอยู่ว่ามีตัวมีตนะนั้นเรามาฝึกนะมาฝึกรู้ลงในขันห้าดูซิรูปร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ k, กเฉยฉยเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความจำได้ความหมายรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชัว่วเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง จิตใจของเราล่ะที่รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูตรงนี้นะดยอย่างนี้ถ้าดูไปนะเห็นแต่ว่าเออร่างกายเกิดแล้วดับนะเช่นรูปเดินเกิดแล้วก็ดับไม่ได้เดินทั้งวันทั้งคืนนี่นะรูปยกก็เกิดแล้วก็ดับรูปย่างเกิดแล้วก็ดับนะรูปเหยียบเกิดแล้วก็ดับเนะี่ย นะรูปยืนเกิดแล้วก็ดับรูปนั่งเกิดแล้วก็ดับรูปนอนเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเอาต่อไปทุกคนหายใจเข้าดูรูปหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจเข้าไปนะ5นาทีเชิญไหวไหมไม่ได้เห็นัหมรูปหายใจเข้าเกิดแล้วดับนึกออกไหมใครยังไม่เชื่อหายใจเข้าอย่างเดียวไปดูซิรูปหายใจเข้าจะดับไหมให้เวลา ห้านาทีพอไหมเนี่ยดูลงมานะดูใจของจริงนี่แหละร่างกายนี้รูปแต่ละรูปนะเกิดเราก็ดับนะรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นรูปหายใจออกรูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นรูปหายใจเข้าไหมร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งได้ไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจนี่เรียกว่าอนัตตานะนี่อนัตต งั้นเราคอยฝึกนะดูลงมาในร่างกายก็เห็นแต่มันแปรปรวนไปเรื่อยเรยมันไม่คงที่นั่งอยู่ก็เดี๋ยวก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็ขยับซ้ายเ<ท>มื่อยแล้วก็ขยับยยวขบวาเห็นไหมมันทนอยู่ไม่ได้มันทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้ น, นทนอยู่ไม่ได้หรอกต้อง ก, กระยุกกระยิกกระยุกกระยิกไปเรื่อยถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรืนะ่อยต่อไปก็มาดูความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กที่เกิดขึ้นในกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ ดูซิความรู้สึกมันเที่ยงไหมนะอย่างเรานั่งทีแรกเรานั่งสบายใช่ไหมเวทนาของเราก็คือสบายนั่งไปสักพักหนึ่งชักจะเฉยเฉยไม่สบายอะไรเฉยเฉนั่งไปเรื่อยๆชักทุกข์แล้วปวดเมื่อยขห้นมาหลวงพ่อถามหน่อยพวกเราที่นั่งอยู่ตอนนี้นะใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีบ้างไหมมีไหมคนไหนยังไม่ได้ขยับตัวเลย หลงพ่อนั่งดูอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นมีใครไม่ขยับนะก็มีแต่เนืเอ้อทีทีทนั่นงทีก็นั่ง<ะ>เหยี่ยเรามามก็ยืดขึ้ น, นทำไมมันต้องยึก ย, ยักยึกยับเงี้ยเพราะมันเมื่อยความทุกข์มันบีบคั้นเราตลอดเวลาน ะ, นะเราไม่เคยเห็นนะเรานึกว่าร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษนะดูของจริงเข้าไปสิ ของดีของวิเศษที่ไหนมีแต่ความทุกข์ปีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษมันทุกข์นะร่างกายนี้มันก็ทุกข์เนะนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะหรือจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายรู้สึกไหมเดี๋ยวก็บ้าขึ้นมาละวาดใช่ไหมจัญญาออบางวันก็โอ้โมโหขึ้นมาบางวันก็หวานหยาิเยิเ้มนะ อะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้จริงหรอกสั่งให้มันมีความสุขตลอดเวลานะจิตใจมันก็ไม่เชื่อนะห้ามมันอย่าทุกข์นั้นก็ห้ามมันไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะเนี่ยคอยดูลงไปดูของจริงเนี่ยการดูของจริงนี่เรียกว่าเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือมาดูของจริงในขันห้าในกายในใจเรานี่พูดภาษาไทยง่ายๆ ในร่างกายเห็นไหมร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกนี่ทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูนี่นะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้นะอย่างเรานั่งทีแรกนั่งสบายมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายนั่งไปสักพักหนึ่งความสุขก็หายไปเกิดความทุกข์ขึ้นในร่างกาย นี่ดูของจริงอย่างนี้นะจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงหรอกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็ไม่เทีย่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยหมุนเวียนไปทั้งวันนะตามรู้ไปทั้งวันก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจนี่หมุนเวียนอยู่ทั้งวันใครทํากรรมฐานอะไรไม่เป็นนะเอาง่ายๆอย่างหนึ่งง่ายมากเลยใครรู้สึกใครรู้ทนันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยในใจตัวเอง ตอนนี้จิตใจมีความสุขก็รู้ทันตอนนี้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ทันตอนนี้จิตใจเฉยๆก็รู้ทันลองหัดทํากรรมฐานอันนี้ดูสิง่ายๆมีแค่3ามอย่างเองใช่ไหมสุขทุกข์เฉยๆครรู้ทันใจตัวเองไปนะใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้ได้เรื่อยๆไปก็จะเห็นเลยเออจิตใจที่สุขก็ไม่คงที่นะสุขไม่นานจิตใจที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว ใจเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวมันทุกอย่างชั่วคราวแล้วหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ชั่วคราวไปหมดเลยต่อไปปัญญามันมากขึ้นนะมันสุขขึ้นมาก็ไม่หลงระเริงนะมันทุกข์ขึ้นมาก็ไม่กลุ่มใจนะมันเฉยๆก็ร่วมเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ห้ามมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ของจริงไปเลยปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่าขันห้าหรือรูปธรรมนามธรรมนะกายนี้ใจนี้อะไรเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของเป็นทุกข์ นั่นแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงๆสั่งมันไม่ได้จริงนะสั่งให้หายใจเข้าอย่างเดียวยังไม่เชื่อเลยทนไม่ได้หรอกนะสั่งให้ยืนอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะหรือพวกที่เป็นอัมาพาตนอนอยู่นะสั่งให้มันลุกขึ้นนั่งมันก็ไม่ลุกนะที่นั่นจริงๆบั ง, บงคับมันไม่ได้จริงเนี่ยเฝ้าดูลงมานะดูลงในกายดูลงในใจเชิญวันหนึ่งปัญญามันแจ้ง กายนี้ใจนี้รูปธรรมานามธรรมนี้ขันหานีนะ้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์ถูกบีบคั้นนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะใจมันจะค่อยคลายความยึดถือในขันห้าออกรู้แล้วว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกหรอกนะทุกวันนี้หวงแหนขันห้ารักในกายรักในใจมากเลยเพราะว่าคิดว่ามันนําความสุขมาให้ แต่พอเรามาเจริญปัญญามาดูความจริงของขันห้าดูแล้วดูอีกดูแลว้วดูอีกนะไม่นานเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้นําความสุขมาให้นะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษจริงหรอกสุขก็แวบๆบแบบเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนั่นมีแต่ความแปรปรวนมีแต่การบังคับไม่ได้พอ ร, รู้อย่างนี้นะในที่สุดจิตจะปล่อยวางขันนะไม่ยึดขันจิตไม่ยึดขันแล้วจิตจะไม่ยึดอะไรในโลกแล้วเพราะขันนี้เป็นสิ่งที่จิตยึดถือมากที่สุดแล้ว จิตวางขันก็คือไม่ยึดอะไรในโลกอีกต่อไปก็พ้นจากโลกนะโลกหมดแรงดึงดูดเราแล้วเราพ้นจากโลกไปนะนี่ฝึกให้ได้อย่างนี้นะฝ่าฝึกไปตั้งแต่ทําทานรักษาศีลทําความสงบใจนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันใจก็จะตั้งมั่นจใจตั้งมั่นแล้วมาดูความจริงในขันห้าในกายในใจของเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมานะเป็นลําดับไปนะ ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ได้ชาติหน้ามีจริงๆนะใครบอกว่าห้ามพูดเรื่องชาติหน้าเพราะพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่เป็นเองอ่ะเนี่ยมาว่าคนอื่นก็ได้ยังไองอ้าวเชิญไปทันข้าวไป